ทุกทุกท่านสู่หลักสูตรมักานุคานะครับมักานุคาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าคืออะไรแล้วก็แปลว่าอะไรมักานุคาก็คือผู้เดินตามมัดนะครับผู้เดินตามมัดเราทราบกันดีว่าในวันวิสาขาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

ตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจสนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาหลังจากนั้นอีกสองเดือนเราก็ได้ยินว่าเกิดวันอาสารหาบูชาขึ้นมาเป็นการประมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแร ก, เ ป, กรแเป็นการแสดงธรรมของท่านเป็นครั้งแรกมหาบุรุษผู้สั่งสมบา ร, รมีมาอย่างยาวนาน

ตรัสรู้ในวันวิสาขา15ค่ำเดือน6แล้วก็จะเปิดการแสดงธรรมเป็นครั้งแรกในโลกนะครับในวันที่วัน15ค่ำเดือน8หลังจากนั้นอีก2เดือนเพราะใครที่เคยไปพุทธคยาก็จะทราบดีว่า49วันท่านอยู่ที่พุทธคยาคือ7สัปดาห์หลังจากที่ตรัสรู้แล้วก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ11วันที่เดินด้วยพระบาทเปล่า

จากพุทธคยาไปที่ป่าอิสิปตนนมะลึกทายวันซึ่งปัญจวัคคีย์อยู่ที่นั่นไปถึงท่านก็ได้เปิดการแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ในพระธรรมชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรเป็นพระสูตรแรกของพระาศาสนาเลยในหลักสูตรนี้เราจะพูดทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่ามักคานุคาผู้ดเดินตามมักเราต้องเห็นความจริง

แล้วเราจะเห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราเคยเห็นขึ้นไปอีกเพราะว่าในธรรมจักรกับประวัตินสูตรในคืนนั้นพระเจ้าได้ชี้ทางสุดโตงสองสายให้บรรพชิตก็คือปัญจวคีได้รู้ว่าทางที่เป็นอันตรายต่อภิกษุผู้มุ่งหวังสู่พระนิพพานคืออะไรแล้วก็ทางสายกลางคืออะไรเป็นทางสู่พระนิพพาน

ผมจะพูดคร่าวๆก่อนรายละเอียดเราจะไปดูกันวันหลังๆทางสายกลางัตมัชชีมาปฏิปทาซึ่งเราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กทางสายกลางหลังจากท่านท่านบอกว่าทางสายกลางคืออะไรแล้วท่านพูดถึงมักมีองค์แปดทันที้นทางสู่พระนิพพานคือเดินทางนี้มักทั้งแปดองค์

เมื่อเดินตามมรรคทั้งแปดองค์จะรู้แจ้งอริยสัจ ส, สี่ขึ้นมาแล้วท่านไปพูดถึงมรรคในอริยสัจ ส, สี่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการพูดซ้ําหลายคนจึงงงว่าทําไมท่านจึงพูดมรรคตั้งแต่ต้นเลยไม่พูดอริยสัจ ส, สี่เพราะเดี๋ยวก็ต้องมีมรรคอยู่แล้วเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นเลยว่าเมื่อเดินตามมรรคจึงจะพบ

อริยสัจสเพราะในสัมมาทิฏฐิข้อแรกผู้รู้แจ้งอริยสัจสี 4, คือผู้ที่เกิดสัมมาทิฏฐิจึงเห็นว่าทั้งมรรคอริยสัจปฏิจจสมุปบาทหมุนวนกันอยู่ในตัวเองหมดเลยเพรนวันนี้ผู้ที่ปฏิบัติเข้าไปมากๆแล้วก็เริ่มลึกๆเข้าไปจะเอะใจขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือว่า

ในวันที่พระองค์อยู่ใต้ต้นโพในคืนนันสิบห้าค่ำเดือนหกวันนั้นยังไม่เคยมีมรกมาก่อนนะท่านรู้แจ้งอริยสัจขึ้นมาได้ยังไงในเมื่อไม่มมักท่านตรัสรู้ขึ้นมาได้ยังไ ง, ไไ ง, ไงวันนั้นมรักยังไม่มีมาก่อนบนโลกจึงเป็นที่มาของคำว่าอารหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะ

ผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งมีอยู่พระองค์เดียวพระอาหารหันตั้งแต่นั้นต่อลงมาคือท่านโกนธัญญะไล่ลงมาจนถึงวันนี้สองพันหปีล่วงมาแล้วจึงเป็นเพียงผู้เดินตามมรรคเท่านั้นเองพวกเราจึงโชคดีมหาศาลที่วันนี้ยังคงมีอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ให้พวกเราเดินตามทางเพื่อหลุดพ้นเหมือนกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย

ตั้งแต่สมัยพุทธ ก, กาลจนถึงปัจจุบันวันนี้วันนี้เราประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นมัคคานุขาเป็นผู้เดินตามสิ่งที่พระพองค์ตรัสรู้ไม่อาจหาที่จะมาสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เพราะว่าท่านเองบำเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างหนักแล้วก็ได้มอบสิ่งที่ง่ายที่สุดให้กับเราล่ะที่จะเดินทาง

หลังจากนั้นก็อยู่ที่ใครๆจะทำอะไรกันต่อไปวันนี้เหตุปัจจัยได้ชักนําท่านให้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกผมมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เพียงนําคำของพระศาสดามาทำให้ท่านเข้าใจง่ายขึ้นไม่ได้มาสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เพราะไม่มีความจำเป็นคำของท่านเป็นที่สุดอยู่แล้ว

ทำให้ท่านเข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้นเองเพื่อให้เดินตามทางที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็มอบเอาไว้ผมได้พูดได้คาเดียวแล้วก็ผมจะสัญญากับทุกท่านไว้ตรงนี้ภายในห้าวันนี้ว่าผมจะทำหน้าที่ของผมอย่างดีที่สุดที่เหลือเป็นหน้าที่ของท่านหากท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดแล้วไซผมว่าหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ท่านอยากให้หลักสูตรปฏิบัติเป็นยังไงท่านทำอย่างนั้นเหมือนกับสมัยหนึ่งผมได้ยินคนชอบพูดว่าพระพระเดี๋ยวนี้ไม่สำรวมเลยทำไมจางงั้ น, ท ำ, นทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างโน้นพระน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะสำรวมน่าจะอย่างนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าโทษนะอย่าหาว่าผมงุงี้นะไปบวชไปบวชเลย

แล้วอยากให้พระเป็นยังไงทําอย่างนั้นทําที่ตัวเองนั่นแหละอย่ามัวแต่พูดคนจริงไม่พูดทําเลยเราว่าพระกินสองมื้อเรายัางทนแทบไม่ไหวให้มาอยู่ศูนย์ปฏิบัติสี่ห้าวันเรายัางบน่นถ้านอนกุฏิเป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบปี

ยังทำไม่ได้เลยพากออกจากการไม่ดูทีวีสักวันสองวันก็ยังบ่นเลยแน่นอนพระไม่ดีก็ต้องช่วยกันดูแลจัดการไปตามระบบพระดีก็มีตั้งมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอาจจะหลักสูตรนั้นเป็นอย่างนั้นหลักสูตรนี้เป็นอย่างนี้อยากให้หลักสูตรเป็นยังไงทาที่ตัวเรานี่แหละไม่ง่ายโอ้ยมีแต่คนคุยกันท่านอยากคุยนะ

มีแต่คนไม่ตั้งใจงั้นท่านตั้งใจให้เต็มที่เมื่อคนเราทำแต่ละคนแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยได้ดีที่สุดผมเชื่อว่าในภาพรวมดีขึ้นมาเองดีขึ้นมาเองหลักสูตรนี้จึงมีวิทยากรหรือว่าผู้ช่วยน้อยมากไม่มีใครเดินตามบอกท่านว่าท่านต้องทำอะไรผมถือว่าผู้ที่สมัครเข้ามาทั้งไม่ว่าจะทางยุวพุทธหรือว่าทางสวนยินดีทาก็ตาม

เป็นผู้ที่มีความสมัครใจที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติแล้วผมจะพูดเสมอๆว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของปัญญาชนเป็นบุคคลผู้มีปัญญาพวกท่านสแสวงหาหนทางการพ้นทุกข์ไม่ได้มาปฏิบัติเล่นๆเพราะฉะนั้นท่านดูแลตัวเองได้ท่านรู้ว่าอะไรควรทำไม่จาเป็นต้องมีใครไปเดินตามบอกว่าอยากคุยกันนะเวลากินข้าวอยากคุยกันนะนั่งเฉยๆอย่าทั่งคุยกันนะไม่จำเป็น

ถ้าท่านจะพูดผมไม่ได้ว่าแต่ขอให้พูดในสิ่งที่จำเป็นพูดเสร็จแล้วก็จบแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองนะครับในหลักสูตรนี้อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นก็คือว่าเราจะมาฟังคำของพระศาสดาแล้วทำให้ง่ายแบบที่เราเข้าใจได้หลายคนบอกว่าอยากปฏิบัติแล้วเนี่ยมาเอาปฏิบัติให้เต็มที่เลยผมบอกว่า

เดี๋ยวก่อนนะครับผมขอดูก่อนว่ามีใครที่มาเป็นครั้งแรกมั้งไหมครับช่วยยกมือหน่อยมาปฏิบัติทําเป็นครั้งแรกเลยไม่เคยปฏิบัติมาก่อนยกยกไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมขอนับนะขอนับเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสิสิบสามสิบส่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณสิบแปดถึงยี่สิบคนนะครับจากประมาณ

ร้อยมั้งอาจะประมาณร้อยดูได้ถึงไหมประมาณร้อยน่ใครๆก็ปรารถนาอยากจะมีคอร์สเล็กๆคนน้อยๆร้อยหนึ่งที่ไหนที่ไหนก็เยอะนะครับยกเวน้นชยวพุตร้อยหนึ่งเนี่ยศูนย์ปฏิบัติไหนๆก็เยอะแล้วนะยกเว้นยวพุชิวพุตรับสูตรนูน300่นสามสี่ร้อยนะเดินกันห้าร้อยก็ยังมีบางหลักสูตรแต่ห้าร้อยก็แน่นมากแนละ้ว

จะรับประทานจะนอนจะพักอะไรก็ลำบากเลยร้อยหนึ่งนี่คือผมว่าเหมือนคอสเข้มมีเนื้อที่การปฏิบัติการพักผ่อนค่อนข้างจะห ล, ลวมๆสบายๆหลักสูตรนี้ในเมื่อเราบอกไปแล้วนะครับเขาเขียนว่ามัคคานุคาแล้วก็พื้นฐานแต่ผมจะใช้ลักษณะหลักสูตรนี้เป็นเก่งคอสเข้มนะครับ

คำว่าคอสเข้มของยุภพุตเนี่ยคือตื่นตีสี่ปฏิบัติเองจนกว่าครูบาจารย์หรือใครจะนัดหมายว่ามาสวดมนต์ฟังธรรมกี่โมงแล้วหลังจากนั้นปฏิบัติเองจนกว่าจะมีการนัดหมายว่าจะฟังธรรมอีกทีกี่โมงแต่เราจะไม่ยาวขนาดคอสเข้มเพราะว่าเป็นคอสพื้นฐานที่จําเป็นต้องให้ข้อมูลพื้นฐานของสมาธิให้เกิดสมาธิขึ้นมาก่อน

ดังนั้นในช่วงที่ไม่มีการฟังธรรมให้ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิเอกเรื่องวิธีการเดี๋ยวเราค่อยบอกกันอีกทีนึงนะครับอย่างที่ผมบอกคือหลักสูตรนี้จะอิงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเขาเล่าว่าคนนั้นบอกว่าให้ทำแบบนี้จะไม่มีเลยทุกอย่าง

จะไปอิงไปพิงที่คำสอนของท่านส่วนอุบายใครเคยฝึกมายังไงไม่ว่ากันใครเคยทำแบบหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นทำไปเคยใครทำแบบไหนทำไปแต่ผมจะพูดเฉพาะหลักการที่พระพุทธเจ้าบอกส่วนท่านจะไปอย่าพระพุทธเจ้าใช้อานาปานสติท่านจะใช้พองยุคท่านก็ใช้ไปนะครับก็แล้วแต่

อุบายผมถือว่าเป็นอุบายในการปฏิบัติเฉยๆถ้าท่านคิดว่าท่านสามารถแปลงอาณาปณะสติเป็นของยุบได้หมดก็แล้วแต่เพราะอาณาปณะสติสามารถปฏิบัติตั้งแต่คนธรรมดาจนถึงผ้าร้านถ้าอย่างนั้นทําได้ก็ทําไปถ้าแปลงคําสอน16ขั้นในอาณาปณะสติจนถึงปฏินิสัขะคือสลัดคืนสู่ธรรมชาติได้ก็ปฏิบัติไปก็ไม่ว่ากันนะะเพราะในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มี side effect

ที่เหลือไปแปลวอีเองเจริญอานาปณาสติแล้วจิตหลุดพ้นจากอาสวะภิกษุทั้งหลายแม้เราเองเมื่อยังไม่ตัสรู้ก่อนการตัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากภิกษุทั้งหลาย

เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุ ป, ปาทานภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุปรารถนาว่ากายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบาก

และจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานดังนี้แล้วไซอานาปาณสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเอานะครับเริ่มต้นเราก็เริ่มจากคำจากพระโอษฐ์คำแรก

เมไรก็ตามเราได้ยินคําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือภิกษุทั้งหลายนั่นแปลว่าเป็นคำจากพระโอษฐ์คือคําของพระพุทธเจ้าตรงๆงเมื่อยังไม่ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้อย่างเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากท่านบอกเลยว่าตั้งแต่ท่านยังบําเพ็ญบารมีมาท่านอยู่กับอานาปนานสติมาตลอดเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลําบากตาก็ไม่ลําบากจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะ

ตรงนี้น่าสนใจก็หลายคนจะเริ่มฟังเมนู้เรื่องท่านหมายถึงอะไรทำไมรู้ลมหายใจแล้วกายไม่ลำบากแล้วตาไม่ลำบากแล้วไปถึงท่านจิตหลุดพ้นจากอาสวะคํานี้หมายถึงเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์เลยนี่ท่านพูดถึงเปิดฉากมาอาณาปณะสติท่านบอกเลยว่าถ้าภิกษุต้องการอย่างนี้คือกายไม่ลาบากตาไม่ลาบากและจิตหลุดพ้นจากอาสวะ

ก็พึงเจริญอาณาปานสติให้มากไวแสดงว่าอาณาปานสติมีผลนั้นยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าคนทั่วไปที่เคยฟังมาจะนึกออกเพราะว่าไม่ได้ศึกษาจนถึงส6บหขั้นแล้วในทั้งสิบกขั้นของอาาปานสติแยกภายเป็นในสติปัฏฐานสี่โพชฌงเจ็ดไปจนถึงวิมุตติหลุดพลเลย

เราจึงเคยได้ยินคำว่าอาณาปณะสติเป็นแค่สมถะกรรมฐานผมเคยได้ยินพระพูดท่านไม่เปิดอาณาปณะสติให้จบขั้นตั้งแต่สิบ4า5สิี่สิห้าหเข้าสู่วิปัสสนาเต็มรูปทั้งหมดจนกระทั่งจิตหลุดพ้นจากอาสวะในขั้น16คือปฏินิขสขะาสลัดคืนสู่ธรรมชาติเราจะมาดูความหมายที่ท่านพูดถึง

เมื่อแปลงเข้ามาอยู่ในยุคสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าช่วยเร่งเสียงนิดหนึ่งครับเขาตั้งใจศึกษาการทำสมาธิในหลายรูปแบบกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นเขาเชื่อว่ามันทำให้เกิดความผ่อนคลายทางกายภาพในระดับลึกหรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาผ่อนคลายคุณเ็นเ้นครับเอ่อคุณเพทที่ไซส์รออยู่ที่ห้องรับแขกแล้วนะคะวัีค่ะยินดีที่ได้พบนะคะ

ทีเงินของเธอจะเป็นเส้นเสนอที่จะสาธิตสิ่งซึ่งเขาได้กันว่าปฏิกิริยราผ่อนคลายที่จะเกิดขึ้นในตัวฉันนั่งสบายดีนะคะค่ะ เ, เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ครับดังนั้นขอให้คุณสบายใจได้เลยตอนนี้ฉันถูกโยงด้วยสายจากเครื่องือตรวจวัดต่างๆมากมายที่จะช่วยวัดระดับความเครียดของฉันเกือบทุกส่วนในร่างกายของฉันจะถูกตรวจวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นชีพจรความเครียดในกล้ามเนื้ออัตราการหายใจหรือแม้แต่เหงื่อ บ, บนผิวหนังอุปกรณ์พวกนี้

น่าอัศจรรย์มากเลยนะคะเหมือนกับการมองเห็นการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายและสมองเลยล่ะเดี๋ยวที่ฉันไม่สามารถห้ามปุนได้เลยเหรอเหมือนก็เปัวอนเป็นหนูทดลองเลยนะคะฉันถูกสั่งให้อยู่นิ่งๆประมาณสิบนาทีเพื่อที่จะวัดข้อมูลพื้นฐานขนาดี่ร่างกายได้พักจากนั้นฉันจะถูกทำให้เกิดความเครียดค่ะโอเคครับแล้วครับพีทีอ่อ่นะครับเดี๋ยวผมจะถามอะไรท่านสันิด

อนันนี้ละยิ้มยิ้มให้ลบตัวเลขสี 1, ่หลักพันห้าร้อยลบด้วยสิบสี่ลงไปเรื่อยเรื่อยเริ่มครับเร็วเร็วนะครับ 1, พันห้าร้อยลบสิบสี่พันห้าร้อยบสิบสี่เอคะพันพันสี่ร้อยเก้าสิบหกเอตัวียพัน oh, ส <c oughs> ี 1, ่ร้อยแ1ดสิบหกโอ้ยพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยหกสิบ

ตอนนี้และแค่คุณลบตัวเลขสี่หลักโดยคุณลบออกด้วยสิบสี่ทุกครั้งได้ไหมครับลบลครั้งละสิบสี่แล้ ว, ลวได้ไหมนะครับลบค้งละสิบสี่ครับและถ้าคุณมองที่จอคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นว่าแค่ได้ฟังคําสั่งคุณก็เริ่มคลีตขึ้นมาแล้วสถาน ก, การณ์หายใจของคุณจะเริ่มพุ่งขึ้นระดับที่ผิวหนังของคุณอจะสูงเกินสีส้มเห็นไหมครับมันน่าสนุกดีนะมองเห็นไหมครับว่าตอนนี้กราฟของท่าน

การทำงานของร่างกายท่านทำงานหนักขึ้นต to <э ั้งแต่เริ่มฟังตั้งแต่เริ่มฟังโจทย์เลยถ้างั้นมเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเวห่อยนะครับเริ่มใหม่ครับหนึ่งพันห้าร้อยเออหนึ่งพันสี่ร้สิบหวกว่านี้ครับึ่งพสิบอค่ะไม่จทยนะครับเริ่มใหม่หนึ่งพัน้ร้อยหนึ่งพันร้อยเริ่มใหม่สี่ร้แปสิหงสร้อยสิบกคุณพูดไปแล้วมู่ดครับหนึ่งพันห้ารอยเอหม่ครับคุณ

ชื่ออะไรครั บ, รบนัทชาคุณนัทชาเห็นกราฟตัวคุณเองอยังครับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ทํางานหนักมากทั้งการเต้นของหัวใจการขับเหงือ่อทุกๆอย่างของร่างกายเปลี่ยนไปหมดเมื่อจิตใจเกิดความเครียดเห็นไหมครับนี่แค่ลบเลขนะครับถ้าน้ําท่วมบ้านมันจะขนาดไหนนะครับครับ

คุณ <c oughs> น, นี่ร้าจริงๆเลยนะเลขอะไรเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยฉันรัไม่เก่งนะนี้เรารไม่ได้จริงๆนะแล้วหน่อยคุณทำได้นะเอา <c oughs> เลย <c oughs> อยู่ในสภาพเดียวกันนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นกราฟจะเหมือนกันนะครับเลยไม่ไหวค่ะตอนนี้ชีพจรเต้เร็วมากเลยแค่บวกแลเ้เลขง่ายๆฉันก็ <c oughs> นี่คือกราฟในขณะที่คุณกําลังตอบผมมาสักครู่นี้เหมือนกันเห็นแล้อยังครับว่าเมื่อใจลำบาก

กายจะลาบากนะผู้เจ้าตัดอะไรเนี่ยไม่มีผิดนะครับเมื่อใจสงบเดี๋ยวท่านจะเห็นเองเกือออกซะแล้วหนึ่งพันสี่รอยยี่สิบหกถูกไหมคะหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกไม่ถูกแล้เริ่มใหม่นะโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นลบเลขไม่ได้ไม่ปัญหานะครับเพราะคนคนนี้เป็นด็อกเตอร์นะครับ

เ ร, เริ่มใหม่เลยครับหนึ่พั้ารอยเร็วเลเลยเร็วเลยอยู่ไม่ได้ครับเราเป็นสเกลปกติแต่ว่าตอนนี้คุณอยู่ต่างกว่าสเกลปกติมากๆเลยแล้วจะกี่นาทีของความน้าอายแล้วแต่เบนซนก็เข้ามาค่ะเป็นยังไงบ้างครับคือเหุค่ะอ๋อเบนซ์คว ร, ระจะลบเลขได้นะเหมือนกับกำลังทําให้คนอื่นดูอยู่นะคะไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ไหวจริ ง, รงมันจะยากขึ้นนะครับ <c oughs> คือถูกถ่าย <c oughs> วิดีโอด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ชมด้วยนะคะ

บอลจากความเครียดที่ให้ลดตัวเลขผิวของคุณจะคับเนื้อออกมานะครับและก็มันก็จะออกมามากขึ้นกลัเรื้อมีความเครียดอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นค่าตัวเลขทั้งหมดถูกวัดณเวลานั้นขณะที่คุณกําลังเครียดตอนนี้คุณสงบลงแล้วกลับมาอยู่ที่ระดับปกติเดี๋ยวผมจะให้คุณลองเข้าสู่ช่วงจุ่ เ, ยเยยดยนะกว่าปฏิเสธยาผ่อนคลายดีจ้าน่าสนุกกว่าใช่ไหมคะทีนี้ป้าก้อนฉันลองทําสมาธิแบบ ง, ง่ายๆค่ะ

ไล่คิดถึงคาบริกรรมเพื่อที่จะได้มีสติแล้วก็สงบด้วยสงบเลยค่ะหลับตานะครับแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนือ้อคราวนี้ทุกครั้งที่คุณหายใจออกก็ให้พูดคำว่านิ่งในใจแล้วก็ปล่อยให้มันนิ่งแล้วคุณก็จะพบว่านะครับให้ทุกคนนั่งเหมือนนั่งสมาธินะครับ

เราจะลองทำแบบเขาดูเพื่อจะได้เห็นผลเดียวกันให้ท่านสังเกตลมหายใจออกพอสุดแล้วให้บอกว่านิ่งหายใจเข้าสุดแล้วให้บอกว่านิ่งหายใจออกนิ่งหายใจเข้านิ่งผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอย่ากเกร็งเพ่งบนรับ

ผ่อนคลายให้รู้สึกสบายสบายนะครับหายใจออกนิ่งหายใจเข้านิ่ง

ขณะที่ฉันกำลังทำสมาธิชีพจรของฉันและอัตราการหายใจลดลงต่เห็นไหมครับขณะนี้กราฟของท่านเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับต่ำกว่าระดับปกติและนี่ก็คือสิ่งที่ดเทอร์เบนเซนหมายถึงปฏิกิริยาผ่อนค้านั่นเองค่ะเขาเชื่อว่ามันถูกกระตุ้นได้ไม่เพียงจากการทำสมาธิเท่านั้นแต่ด้วยวิธีผ่อนคลายอื่นๆเช่นการลกการหายใจนี่คือกราฟปกติของคนที่อยู่

อาหนาปานาสติผูจาพูดหรือตรัสออกมาเนี่ยไม่มีผิดรับรองได้หรือว่าไทยชิผิวหนังกับเหงื่อน้อยลงอัตราการเต้นของหัวใจก็ช้าลงไปอัตราการหายใจจะต่ำลงอย่างชัดเจนมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งนั่นก็คือปฏิกิริยาผ่อนคลายการทำสมาธิทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางกายภาพในร่างกายของฉัน

แต่ดัตต์เบนเซนก็ไดการสื่อารลึกลงไปอีกเขาเชื่อว่าปฏิกิริยาผ่อนคลายสามารถช่วยแก้ปัญหาสภาวะบกคร่องทางการแพทย์ที่เกิดจากความเครียดได้เช่นหอบหื่นภาวะการมีบทยากและเบาหวานค่ะในกรณีที่ความบกคร่องนั้นนั้นรวร้ายลงเมื่อเกิดความเครียดการดึงปฏิกิริยาผ่อนคลายออกมาอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยปรับสภาวะนั้นได้อย่างดีทีเดียวเมื่อเกิด

ความผิดพลาดต่อร่างกายจากความเครียดมันจะส่งผลร้ายต่อร่างกายเกิดเป็นโรคร้ายต่างๆ ต, ต, ต่างขึ้นมาดรเบนซ์ันคนนี้บอกว่าเมื่อเราทาจิตให้สงบอยู่บ่อยๆมันจะสามารถเข้าไปรักษาแล้วก็เยียวยาสิ่งนั้นให้กลับขึ้นมาฟื้นขึ้นมาให้ดีเหมือนเดิมได้นี่คือผลจากงานวิจัย

แล้ ง, งานวิจั ย, ยชิย้นนี้เนี่ยขเขาได้ทำต่อไปต่อไปแต่ผมจะไม่ได้ไม่เปิดแล้วละ่ะเพราะมันจะกินเวลามากเขาอยากจะรู้ว่าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงมันจะต้องมีผลต่อสมองที่ออกมาในแง่มุมที่สามารถวัดได้ด้วยเครื่อง MRI จึงเกิดการสแกนสมองของคนธรรมดาเอาไว้แล้วก็คนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครแล้วก็ทดลองทาสมาธิวันละสาสิบ

ถึง45นาทีจากทุกๆสาขาอาชีพหลังจากนั้นเวลาผ่านไป3เดือนเขานำเอาสมองของคนเหล่านั้นมาตรวจใหม่เขาพบความเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยยะสำคัญจากการทำสมาธิมันเปลี่ยนแปลงสมองไปทั้งหมดเส้นขอบของสมองหนาขึ้นในจุดที่เป็นการรับรู้การตอบสนองสงบเยือกเย็ยนลง

แล้วก็จุดที่ทำให้เกิดความสุขเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนทุกคนกลับมามีความสุขมากขึ้นในชีวิตนี่คือสิ่งที่ ว, วิทยาศาสตร์พยายามจะพิสูจน์แต่สิ่งที่พระองค์ตรัสเอาไว้เมื่อ 2,500 ปีพิสูจน์ได้ที่ตัวของผู้ปฏิบัติเองเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลำบาก

ตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะแปลว่าอะไรแปลว่าเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์นะครับเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นการรู้ลมหายใจดูเหมือนง่ายแต่ลึกสุ ด, สด

เราจะมาค่อยๆศึกษาแต่คงจะไม่ไปถึง16ขั้นแต่อาจจะให้ท่านได้เห็นคร่าวๆเพราะว่าในการฝึกจริงๆคงใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลัดขั้นตอนไม่อย่างนั้นอย่างเช่นเพื่อท่านเคยพูดไว้คือชีวิตหนึ่งเราจะตายเปล่า ค, คือถ้าจะเอากันให้ได้ตามนั้นเลยเะะนั้นก็ต้องใช้วิธีประจิตตั้งมั่นแล้วก็รัดเข้าไปสู่การเหตุการณ์เกิดดับ

เพื่อให้ประหยัดเวลาขึ้นในการปฏิบัติเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่าแม้แค่เพียงปฐมฌานก็เพียงพอนะครับเพียงพอที่จะเห็นการเกิดดับจนกระทั่งเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันอาจจะไม่จำเป็นต้องเดินจนถึงฌานที่สี่ก็ได้แต่ทำไมพระองค์จึงให้เราถึงทำไมใน ส, มสมัมมาสมาธิมรรคองค์ที่8ปท่านจึงแนะนาไปจนถึงฌานที่สี่

เดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันไปนะครับค่อยๆว่ากันไปทีละขั้นขั้นแรกผมให้ท่านเห็นก่อนว่าอาณาปานาสติที่พระองค์ตัดไว้เนี่ยสำคัญแค่ไหนหลี่เสียงโน้ตบุ๊กลงได้ไยครับมันถึง

ทีนี้ดูบนกระดานนะครับดูบนจออช่วยอ่านให้เพื่อนฟังนะครับตถาคตรู้ว่าจะใด

ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ทั้งวาจานั้น oriented, ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆตถาคตไม่ตัดวาจานั้นตถาคตรู้วาจาใดเป็นของจริงของแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ

แม้วาจานั้นตถาคตไม่ตรัสอันหนึ่งตถาคตรู้วาจาใดเป็นของจริงเป็นของแท้ประกอบด้วยประโยช น, น์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆตถาคตย่อมรู้การอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆตถาคตไม่ตรัสวาจานั้นตถาคตรู้วาจาใดแม้เป็นของจริงเป็นของแท้และไม่ประกอบด้วยประโยชน์

แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆแม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัสอันหนึ่งตถาคต ร, รู้วาจาใดเป็นของจริงเป็นของแท้ประกอบด้วยประโยชน์ทั้งวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจ

ของคนอื่นๆแต่ถาคดย่อมรู้การอันควรที่จะใช้วาจานั้นขอบคุณมากครับเราฟังทั้งหมดเนี่ยมีหกประโยคที่โยคีท่านนี้ได้อ่านจบไปในหกประโยคเนี่ย

ถ้าผมให้ท่านที่นั่งฟังอยู่ช่วยวิเคราะห์หน่อยท่านจะบอกว่าคงไม่ง่ายเพราะว่าดูคล้ายๆคล้าๆคๆลยๆกันมีการซ้ำๆซ้ๆแล้วก็เปลี่ยนแค่บางจุดบางจุดคนที่พูดตรงนี้ออกมาได้เนี่ยไม่ธรรมดาถ้าไม่มีการลิสออกมาก่อนจิตนี่มีการเรียงลำดับตักกะอัถพยัญชนะอย่างสุดยอดเลย

เราจะเห็นความจริงอย่างหนึ่งคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประโยคหนึ่งคือเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์พูดไปแล้วคนชอบหรือไม่ชอบแล้วจะพูดหรือไม่พูดทั้งหมดมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องถึงสี่อย่างแล้วพูดเรียงลำดับแบบไม่มีผิดเพี้ยนเลย

เอาอย่างนี้เพื่อให้ง่ายขึ้นผมทำสรุปให้ท่านดูจะ ง, ง่ายกว่าจะเห็นแล้วว่าพระเจ้าตรัสออกมาเรียงลำดับแบบคนธรรมดายากจะทำได้ถ้าไม่ถ้าไม่มีการวางแผนการพูดเอาไว้ก่อนจะเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสออกมาจากพระโอษฐ์จะมีเพียงข้อสามกับข้อหนอกนั้นท่านไม่พูดเลย

ในข้อ3มกับข้อ6มีความเหมือนกันอยู่ก็คือเรื่องนั้นต้องจริงเรื่องนั้นต้องมีประโยชน์ส่วนจะเป็นที่รักที่เจริญใจของใครหรือไม่นั้นท่านจะดูการอันควรอีกครั้งหนึง่งว่าจะพูดหรือไม่พูดเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามเราได้ยินคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นแปลว่าเรื่องนั้นต้องจริงแน่แล้วเรื่องนั้นต้องมีประโยชน์แน่ท่านไม่พูดเล่น

พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเล่นเพราะท่านจะสอนราหุ่นตลอดว่าเธออย่าพูดเพียงเพื่อให้ได้ยินเพื่อให้เกิดการหัวเราะสนุกสนานขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่เป็นความจริงพูดกันง่ายๆคือพูดเพอรเจอเมาแตกเอามันเ้าว่าไม่มีเลยไม่มีจากพระพุทธเจ้าแน่

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านตรัสถ้าหากเราได้ยินเรื่องนั้นจริงแน่พิสูจน์ได้ถ้าอยากพิสูจน์ต้องพิสูรจน์จริงๆด้วยตัวของเราเองคำสอนของพระเจ้าในห้าวันนี้ผมท้าพิสูจน์มักคานุคานี่สิ่งที่ต้องการเนี่ยต้องการแค่คนจริงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าในห้าวันนี้ท่านทำจริง

ทุกลดแน่ตอนนี้ผมเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มนึงเกี่ยวกับเรื่องคำสอนแล้วก็การปฏิบัติอย่างที่เราจะได้ยินกันในวันนี้แต่จะออกเป็นหนังสือที่กาลังจะออกจะเป็นหนังสือธรรมะเ ล, มเล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวเท่าที่เคยเห็นมาแม้แต่ที่อมรินพูดขึ้นมาเองว่าถ้าทุกไม่ลดเอามาคืนคืนเงินร้อเอร์

ถ้าสิ่งที่ได้อ่านไปแล้วทดลองทําดูแล้วทุก์ไม่ลดให้เอาไปคืนที่เคาน์เตอร์ร้านในอินราสาขาไหนก็ได้พร้อมใบเสร็จเขาจะคืนเงินให้เต็มจํานวนเป็นหนังสือธรรมะรีคอรซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งแต่ธรรมะพรุทธเจ้าถ้าปฏิบัติแล้วทุกลดตั้งแต่วินาทีแรก

ไม่ต้องรอพ้นทุกตอนเป็นพระสวสดาบันหรือพระอาหารหันต์อะขอแสงไฟที่ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะทำให้ท่านดูหลักสูตรนี้เราพูดกันที่ความจริงอย่างเดียวและความจริงไม่ใช่ความเชื่อ

ถ้าพิสูจน์ท่านต้องเห็นผลเองไม่ใช่มาเห็นที่ผมหรือไปเห็นที่ครูบาอาจารย์หรือไปเห็นที่พระพุทธเจ้าอาริยมรรคมีองค์แปดถ้าผู้ใดปฏิบัติตามผู้นั้นจะตรัสรู้ขึ้นมาด้วยตัวเองสิ่งที่ตรัสรู้จะมีปัญญาเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นอย่างที่พระอรหันตสาวกเห็นการมาฟังคำสอนเพื่อให้เกิดสุตตะแล้วก็จินตานี่

สุตตมยปัญญาคือปัญญาจากการได้ยินได้ฝังจินตามัยปัญญาคือการได้ยินแล้วก็จินตนาการคิดเอาในส่วนของการภาวนาจะเกิดขึ้นที่ตัวของแต่ละคนเองคำว่าภาวนาอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการเดินจงกรมนั่งสมาธินะครับนั่นใช่ด้วยแต่นั่งอยู่ในวิถีจิตธรรมดานี่แหละที่ท่านวกกลับเข้าไปดูแล้สังเกตนั่นอาการภาวนาแล้วสิ่งนี้เราจะมาดูด้วยกัน

เอาง่ายๆเลยแล้วท่านจะรู้เลยว่าทําไมผมถึงกล้าท้าท้าทุกข์ไม่ลดมาคืนหนังสือเลยผมบอกอมรินเดี๋ยผมรับผิดชอบทุกเล่มอมรินไม่ต้องรับผิดชอบใครอ่านแล้วผมไม่เห็นได้เรื่องเลยให้มาคืนตังค์ให้มาเอาตังค์คืนไม่มาคืนตังค์ให้มาเอาตังค์คืนท่านแปลว่าธรรมะพระเจ้าถ้าปฏิบัติแล้วทุกไม่ลดแล้วจะปฏิบัติ ท, ทําไม

หนังสือถ้าขายแล้วบอกว่าผลทางการพูนทุกถ้าอ่านแล้วทุกข์ไม่ลดก็มาคืนดิใช่ไหมครับมันต้องกล้าๆ ก, กันหน่อยไม่ใช่ว่าขายไปแล้วก็ทีบท้บๆหลบไปไมเอาละครับทําตามที่ผมบอกทุกคนรู้ลมครับเพรท่านรู้ลมเนี่ยให้มาสังเกตลมหายใจที่ที่เอาเอาง่ายๆกระทบที่ปลายจมกูกแค่นั้นพอรู้ลมนะครับอย่าคิดว่ารู้ลมนะครับให้เข้าไปรู้จริงๆนะครับ

วิปัสนาไม่มีคิดเอานะครับคิดอยู่ในขั้นจินตานะครับดูหลมนะครับตอนนี้ให้ท่านคิดถึงบ้านคิดถึงห้องนอนของท่านที่เพิ่งจะลุกขึ้นม า, มาเมื่อเช้าคิดเลยครับให้คิดถึงที่นอนที่ท่านเพิ่งลุกมาบางคนยังไม่ได้พับผ้าห่มก็คิดถึงตอนไม่พับผ้าห่มเลยบางคนพับแล้วก็คิดถึงตอนพับแล้ว

เสร็จแล้วให้นึกถึงหน้าคนที่ท่านรักครับใครก็ได้ครับจะลูกจะแฟนเจ้าสามีภรรยาพ่อแม่ใครก็ได้ลองนึกถึงหน้าคนที่ท่านไม่ชอบครับไม่ชอบน้อยๆก็ได้นะครับบางคนบอกเอ้ยฉันไม่มีน้อยๆก็ได้ที่รู้สึกค่อยชอบเ ท, ท่าไหร่นิดก็ได้หรือบางคนไม่ชอบมากก็ น, นึกขึ้นมาก็ได้กลับมารู้ลมครับ

ไปรู้ที่ก้นสัมผัสอาสนะครับกลับมารู้ลมครับรู้สึกอาการปวดที่เข่าครับถ้าใครเป็นโรคร้ายอย่างเช่นมะเร็งหรือเป็นอะไรเคยผ่าตาัดให้เป็นนึกตรงนั้นเลยครับแล้วแผลของท่านอันนั้นอาจจะเกิดเป็นมะเร็งในอนาคตแล้วภายท่านตายได้

พอคิดไปแล้วท่านจะต้องจากจากลูกจากคนที่ท่านรักหากใจตอนนี้เริ่มเศร้าหมองให้มาสังเกตทีใ่ใจครับที่เศร้าหมองแล้วกลับมารู้ลมครับรู้ลมไว้ครับอ่านนะครับทีนี้ลืมตาก็ได้ครับลืมตาขึ้นฟังผมนะครับตอบคำถามด้วยตัวเอง

ตามความจริงที่ท่านเข้าไปสัมผัสตอนรู้ลมรู้คิดไหมครับตอนที่ท่านคิดถึงไม่รู้แล้วตอนที่ท่านคิดถึงห้องนอนท่านรู้ลมไหมครับไม่คิดไม่รู้คิดถึงหน้าคนที่ท่านรักท่านรู้ลมไหมครับไม่รู้ตอนที่คิดถึงหน้าคนที่ท่านไม่ชอบก็ไม่รู้ลมพอกลับมารู้ลมภาพพวกนั้นดับหมดผมให้ท่านรู้ก้นตอนรู้ก้นรู้ลมไหมครับไม่รู้

ตอนที่กลับไปรู้ว่าใครเป็นอะไรเคยผ่าตัดตรงไหนตอนนั้นรู้ลมไหมครับไม่รู้พอรู้ลมเรื่องที่คิดเรื่องที่กำลังปรุงก็ดับไปตอนที่ท่านนึกถึงคนที่ท่านไม่ชอบขี่หน้าใจของท่านอาจจะเริ่มทุกข์ขึ้นมาตอนที่ท่านไปนึกถึงการผ่าตัดแล้วก็อาจจะต้องเป็นมะเร็งต่อไปแล้วก็สูญเสียคนที่ท่านรักท่านจะต้องจากไปจิตใจท่านอาจจะเริ่มเศร้าหมอง

พอผมบอกให้กลับมารู้ลมสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆจางไปหายไปแล้วก็กลับมารู้ลมจิตรับรู้ได้ทีละอารมณ์เดียวท่านเห็นเองละ้ะเมื่อเข้าใจธรรมชาติง่ายๆอย่างนี้เนี่ยแก้วใบนี้ร้อนนะครับเขาใส่น้ำร้อนมาให้ผมหากใครกำลังอกหักมีความทุกข์

บ้านพังกิจการล้มละลายคนกําลังกำแก้วร้อนนี้อยู่ใครๆก็ไม่อยากทุกข์ใครๆก็อยากปล่อยทุกข์กันทั้งนั้นอยากพ้นทุกข์กันทุกคนไอ้ที่ทํากันทุกวันนี้ก็อยากพ้นทุกข์กันทั้งนั้นผมไปบรรยายที่มหลาลัยหนึ่งเนี่ยมีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอยู่ปีสองเป็นดาวของมหลาลัยนั้น

เป็นดาวของมหาวิทยาลัยนั้นนะครับเสร็จแล้วไปมีแฟนเป็นนักศึกษาปีสีหลังจากนั้นไม่นานถูกซ้อมทุกวันติดข้างฝาทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเครียดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลโรคจิตไปวันที่ผมบรรยายเธอออกมานั่งฝั่งอยู่เลยหลังจากเข้าอยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตหลายเดือนผมบอกว่าคนที่อกหักหรือมีปัญหาในชีวิตเหมือนกําแก้วร้อนๆเอาไว้

ทุกคนอยากจะปล่อยแต่ปล่อยมันไม่ได้มีคนมาปรึกษาผมว่าทำยังไงถึงจะปล่อยแก้วน้ำร้อนนี้ได้เพราะทุกคนบอกว่าให้ปล่อยเธอเธอลืมก็ไปเธอเธอลืมเหตุการ์มันเป็นคนไม่ดีเธอไปจำมันทำไมเธอจะไปเครียด ก, กับมันทำไมฉันก็อยากจะทำอย่างนั้นแต่มันทำไม่ได้มาปรึกษาผมผมบอกว่าตบมือที่ไมจะปล่อยแก้วตบมือสิ

ตกมือแต่เวลาเขาดีเขาก็ดีนะอาจารย์ตกมือตกมือโอ้ยตอนที่เขาดีนะเขาทำทุกอย่างแล้วก็ดูตกมือตกมือตกมือตกนานๆตกนานๆตกไปเรื่อยๆ

อย่ายุดตบทั้งวันเลยแล้วไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วจะไปจับมันทำไมอะไรคือตบมือหรอไหมครับลมหายใจนักศึกษาผู้หญิงคนที่มีปัญหาออกมาจากโรงพยาบาลโรคจิตขณะที่เขากำลังฟังของบรรยาย

เขานั่งคิดถึงหน้าแฟนเขาแล้วก็ทุกมากมันจะดึงเขาลงเหวไปอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนั้นเขากินยาเป็นกรรมเ ย, ยาแก้โรคจิตโรคประสาทหลังจากนั้นเขาเลยทดลองรู้ลมหายใจดูเขานั่งรู้ลมหายใจอยู่พักหนึ่งเขาก็เห็นเลยว่าความคิดมันดับเพราะว่าจิตมาเกาะ อ, อยู่ที่ลมเดี๋ยวเยวมันคิดอีก

เขากลับมารู้ลมอีกเขาตาเบิ่งขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาเป็นคนออกมาพูดหลังจากผมบรรยายจบสองชั่วโมงที่มหาลัยนะั้นเขาบอกว่าหนูเห็นปลายทางแนละ้วหนูรู้แล้วว่าหนูจะต้องทำยังไงทาไมหนูถึงออกจากทุกข์ไม่ได้ความจริงเรื่องมันง่ายแค่นี้เองเมื่อคีดตอนบรรยายมันกําลังเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วหนูก็หันกลับมารู้ลมกลับมารู้ลมสักพักทุกอย่างดับ

อารมณ์กลับมาเป็นปกติเดี๋ยวเยวมันก็แวบเรื่องนี้ขึ้นมาอีกก็กลับมารู้ลมใหม่ก็ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เขาเห็นทางอ่ะมันยังไม่ได้หยุดได้ทีเดียวเพราะการจะชําระออกจากสัญชาตญาณที่สั่งสมมายาวนานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เริ่มเห็นวิธีการว่าจะทํำยังไงถึงจะหวางเรื่องนี้ลงได้นี่เป็นสมถะง่ายๆย

ใช้การแทนค่ากันหนึ่งต่อหนึ่งในเมื่อคิดหนึ่งเอาลมเข้าไปแทนคิดก็ดับพอจะคิดเอาลมเข้าไปแทนคิดก็ดับเป็นสมะถะง่ายๆเลยหาวิหารธรรมให้จิตเกาะใหม่ที่ส่งผลเป็นกุศลทำไมเหรททำไมพู้เจ้าถึงได้ตรัสว่าเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายไม่ลำบากตาไม่ลำบาก

เวลาท่านนั่งคิดอะไรเนี่ยผลจะออกมาสามอย่างที่เป็นอารมณ์คือสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆถูกไหมครับเพราะทุกวันท่านก็นั่งคิดกันอยู่ทั้งวันอยู่แล้วเผลอคิดเผลอคิดนั่งในรถเผลอคิดนั่งมากกว่าเผลอคิดมันจะออกมาเป็นผลสามอย่างไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยๆมีอยู่สามอย่างไม่ได้มีมากกว่านี้มีอยู่แค่เนี้ยเวทนาแต่พอกลับมารู้ลม

อย่างที่เราดูจากบนจอนะครับหมอคนนั้นแล้วเราก็ทดลองทําเองพอเรารู้ลมสักพักเกิดเป็นอะไรครับอุเบกขาความสงบทั้งใจแล้วก็กายด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไห่รู้ลมเห็นไหมครับว่าหวยล็อกออกหน้าเดียวไม่มีหน้าอื่นแต่ถ้าปล่อยให้อยู่กับสังขารการปรุงแต่งจะออกสามหน้าไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยๆแล้วท่านจะรู้เองว่า

ทุกเป็นหลักสุขมีน้อยๆเฉยๆก็มีบ้างเวลาเหมื่อๆ เ, เป็นเฉยแบบเดรฉ า, านเป็นอุเบกขาแบบเป็นเฉยๆนี่ไม่ใช่อุเบกขาที่เป็นอุเบกขาอารมณ์ที่ประกอบ ด, ด้วยสตินะอันนี้เป็นอุทุกข์ม ส, สุขคือไม่รู้จะสุขหรือดีได่จะทุกขดีมันอยู่กลางๆนะครับอยู่ภายใต้อำนาจของโมหะเต็มๆ เ, เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่รู้หลมเมื่อนั้นเกิดเป็นความสงบเกิดเป็นอุเบกขา

นี่คือสาเหตุทําไมพระเจ้าถึงได้ให้ใช้กายคตาสติเป็นที่ตั้งของจิตให้วิญญาณเกาะกายะคตาสติเอาไว้พบาผลเป็นอุเบกขาแล้วอาศัยอุเบกขานําทางเข้าสู่พระนิพพานไปปล่อยอุเบกขาอีกครั้งหนงตอนปลายทางเพราะอุเบกขาเองยังเกิดเกิดดับดับเมื่อไหร่เห็นการเกิดดับของอุเบกขาในวันข้างหน้าแล้วก็ปล่อยอุเบกขาอีกครั้งหนึ่งจะเข้าสู่สุญญาตานี่คือเส้นทางเดินที่พระเจ้า

สั่งสอนแล้วก็บอกสาวกเอาไว้อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรยากเยนเรากลับมาที่เรื่องนี้ใหม่หากการนั่งเผลอคิดซึ่งเป็นปกติของทุกคนอยู่แล้วในชีวิตประจําวันเราเอาชีวิตประจําวันมาตีแผ่ไว้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนก็นแล้วกันหรือว่าเป็นหนึ่งร้อยนาทีหนึ่งร้อยวินาทีก็ได้ให้เข้าใจง่ายๆถ้าผมนั่งคิดทั้งหนึ่งร้อยวินาที

ผลออกมาควบคุมไม่ได้เลยอาจจะเป็นทุกข์ทั้งวันก็ได้อาจจะทุกข์สลับสุขสุขสลับเฉยเฉยก็ได้ไม่รู้อันไหนมากกว่าน้อยกว่าแล้วแต่การที่สั่งส ม, มของแต่ละคนเหมือนการปล่อยภูมิอะไรแต่ว่าขับรถออกไปมันเจอโค้งไหนบ้างมันไปได้ไปไม่ได้ไม่มีใครรู้เลยแต่ถ้าเราอยู่กับลมหายใจหนึ่งครั้งเท่ากับความทุกข์เหลือเก้าสิบเก้าถ้าสมมติร่มเป็นทุกข์หมดมันจะเหลืออุเบกขาเป็นหนึ่ง

ถ้ารู้ลมสองครั้งมันจะเหลือเก้าสิบแปดถ้ารู้ได้สามครั้งมันจะเหลือเก้าสิบเจ็ดหากคลองแสนแสบที่มีน้ำเน่าเหม็นมีฟองก๊าซปุดขึ้นมาเป็นแก๊สไข่เน่าเพราะว่าพื้นบ่อเน่าน้ำบ่อเน่าผมให้ใครสักคนในที่นี้

เอาน้ำแก้วนี้ไปเทใส่คลองแสนแสบท่านคิดว่าคลองแสนแสบจะสะอาดขึ้นไหมครับสะอาดขึ้นไหมครับไม่ถ้าผมบอกว่าคลองแสนแสบสะอาดขึ้นแก้วหนึ่งละ่ะท่านว่าใช่ไหมครับถ้าคนนั้นเอาแก้วที่สอง

ไปเทใส่อีกในตอนเทีย่ยงแก้วที่สามไปเทตอนเย็นแก้วที่สี่ไปเทเ ช, เช้าวันรุ่งขึ้นแก้วที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสบสองจนถึงแก้วที่ร้อยที่พันที่หมื่นที่แสนที่ล้านวันหนึ่งสมมุติว่าเขาเทไปได้เป็นล้านล้านแก้วแล้วเขาก็เริ่มตักเลนในบ่อออกบ้างเริ่มเปลี่ยนน้ําบ้างแล้วก็เริ่มเทไม่หยุด

วันหนึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าคลองแสนแสบใสขึ้นมาผมถามว่าคลองแสแสบเพิ่งจะเริ่มใสวันที่เขาเห็นหระอครับเปล่ามันเริ่มตั้งแต่แก้วแรกนะครับแต่มันยังไม่เป็นนยัยสำคัญที่ทำให้เราดูออกแปลว่าน้ำเน่าเนะ่ยหายไปแล้วหนึ่งแก้ว

วันที่ท่านไปตัดผมท่านบอกว่าวันนี้ผมยาวแล้วเดี๋ยวจะไปตัดผมหน่อยท่านตัดมาแล้วสามสิบวันผมถามว่าผมมันเพิ่งยาววันที่สามสิบเหรอถึงไปตัดผมเปล่าท่านเพิ่งจะดูออกว่ามันยาวตอนวันที่สามสิบหลังจากตัดคราวที่แล้วจริงๆมันยาวตั้งแต่วินาทีที่ท่านตัดนั่นเลผมถึงบอกว่า

ความทุกข์ลดลงทันทีตั้งแต่การปฏิบัติธรรมครั้งแรกคือรู้ลมหายใจไม่ใช่ไปรอวันที่เป็นพระโสดาบันท่านจะเห็นเองหรืออาจจะยังไม่เห็นเพราะมันยังไม่เกิดนัยสําคัญแต่ว่าความทุกข์ของท่านได้ลดลงไปแล้วแล้วท่านจะเกิดปัญญาโบนัส

ตามขณะที่ท่านกำลังทำต่อไปเรื่อยๆจะเกิดอนุภาพหลังจากนั้นไม่ใช่ทีละแก้วจะเกิดเริ่มกลายเป็นทีละถังเริ่มกลายเป็นทีละแท้งจะเริ่มกลายเป็นทีละโอกในทุทกๆครั้งที่ท่านกลับมามีสติรู้ลมทุกอย่างจะเพิ่มกำลังขึ้นเรื่อยๆจากอินทรีย์เป็นพะร ะ, ะจากพะะเป็นโพชฌงกำลังของเขาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นถึงตอนนั้นท่านจะเห็นอนุภาพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

นี่คือสาเหตุทำไมผมถึงกล้าท้าถ้าใครทุกไม่ลดเอาหนังสือมาคืนเพราะไม่มีใครที่ทุกไม่ลดนอกจากเขาดูไม่ออกถ้าดูไม่ออกเอาหนังสือมาคืนแล้ววันหนึ่งถ้าดูออกเมื่อไหร่แล้วมาขอคืนไปได้ปฏิบัติต่อไปแล้วกันแล้วเอาหนังสือมาคืนแล้ววันหนึ่งจะรู้เองว่า

ฉันไม่นาไปคืนหนังสือคำของพู้เจ้าทาภิสูตนี่แค่สมถะนะยังไม่ถึงวิปัสนาถ้าถึงวิปัสนาเมื่อไหร่ทุกหายแบบกระชากออกเป็นลอกน้ำคลองแล้วก็เปลี่ยนน้ำกันเลยถ่ายน้ากันเลยแก๊สไข่เน่าวันนี้ถ้าให้ท่านไปนั่งดูแก๊สไข่เน่าที่ปุดขึ้นมาจากคลองแสนแสบในตอนเช้าที่เหลือไม่วิ่งท่านจะเห็นมันปุด

ปุดขึ้นมาไม่ได้หยุดเลยผมถามว่าแก๊สไข่เน่าที่มันออกมาที่มันผุดขึ้นมาจากพื้นบ่อเนี่ยมันเป็นผลมาจากดินเน่ากับน้ําเนา่าถูกไหมครับมันจึงเกิดเป็นแก๊สไข่เน่ามีใครสักคนไปนั่งดูแก๊สไข่เน่าปุ๊บผวกเห็นแก๊สไข่เน่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นแก๊สไข่เน่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป

เห็นครั้งที่1ิบครั้งที่ร้อยครั้งที่0ันเกิดปัญญาขึ้นโอ้แก๊สไข่เน่านี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสปรรพสิ่งในโลกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาก็นั่งดูแก๊สไข่เน่าอาจจะเป็นอาการโกรธของเขาก็ได้อาจจะเป็นอาการโลภของเขาก็ได้อาจจะเป็นอาการหลงของเขาก็ได้อุปมาก็เหมือนกันผมถามว่า

คนคนนั้นจะต้องดูแก๊สไข่เน่าอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่มันถึงจะหมดครับเขาเกิดปัญญาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเนี่ยต้องดูอย่างนี้ถึงเมื่อไหร่ครับถึงแก๊สไข่เน่าเนี่ยมันจะหมดไปตอบตรงๆ ง, ง, ง, ง่ายๆเลยครับตักกะ ง, ง่ายๆมีวันหมดไหมครับไม่มีอ้าวนี่ไงเกิดปัญญารู้แจ้งด้วยปัญญาไม่ใช่เหรอใช่รู้แจ้งแล้วว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป

แล้วทำไมไม่หมดพื้นบ่อไม่โดนจัดการน้ำก็ไม่ถูกจัดการคำสอนของพระเจ้าทั้งหมดเยทำมาเหตุตุป ภ, ภาเตสังเหตุตถาคตโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนสิ่งทั้งหลายเหล่าใดเกิดมาแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุของสิ่งเหล่านั้นเพราะแสดงความดับโดยสิ้นเชิง

เพราะหมดเหตุจัดการกับเหตุเกิดของแก๊สไข่เน่าหรือยังอย่างแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดไม่มีวันหมดเพราะเหตุเกิดคือน้ำเน่ากับบ่อเน่ายังอยู่ครบเท่าเดิมมันยังผ ล, ผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาแค่อาการของจิต

ท่านกําลังถ้าใครมีใครสักคนที่นั่งดูจิตนั่งเฝ้าดูการเกิดดับของความโกรธความโลภความหลงท่านจะนั่งดูอย่างเนี้ยไปชั่วนิจ ด, ดิรันดอนเพราะท่านไม่ได้จัดการกับเหตุเกิดมักมีองแปรไล่จัดการตั้งแต่เหตุเกิดไปทั้งหมดเมื่อลอกพื้นบ่อเปลี่ยนน้าจนสะอาดแล้วผมถามว่ายังจะมีแก๊สไข่เน่าไหมไม่มีปฏิบัติธรรมไปให้ถึงแก่นหน่อย

ยาวฟังตามตามกันมาแล้วการปฏิบัติในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอริยมรรคมีงค์แซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นอย่างกระจา่างไม่ใช่การยกแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่การยกแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่การยกแบบนี้แต่เป็นการยกแบบนี้เชื่อมคึนทั้ง8จุดและดึงพรัวขึ้นมาถึงจะข้ามโคตรกุตุชนได้เข้าสู่โคตรอริยชน

มักต้องถูกเจริญทั้งแปดข้อถึงได้กลับมารวมกันเป็นเชื่อควาำแปดเกลียวที่มีคําเรียกอาจจะเคยได้ยินว่ามัคคสมังคขีทั้งแปดเกลียวจะเข้ามารวมกันเป็นกำลังจึงเกิดโล ก, กุตระมัคเข้ามาชำระได้ถ้าเอาแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็ไม่เกิดเพราะว่าไม่เดละอกุศลเจริญกุศล

อาจาจะเจริญกุศลแต่อักุศลเต็มหมดศีลก็ยังบกพร่องเป็นอันมากได้ขมมากก็ไม่เคยกามาคุณทั้งหลายยังเต็มเปี่ยมในจิตนิวรณ์ห้ามันจะละดูละออกไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจกระบวนการทั้งหมดมันจะกระตกขึ้นมาทั้งแปดจุดแล้วมันถึงจะหลุดขึ้นมาทั้งพวงเหตุเกิดทั้งหมดจะถูกชำระเมื่อนั้นจิตใจจะสงบตั้งมั่นขึ้นมาเ

วันนี้อย่าทำอะไรเป็นเรื่องๆทุกคนเขาว่าอย่างไรก็ทำตามเขาเขาว่าอย่างไรก็ทำตามเขาจึงไม่พบผู้ที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้เลยเขาบอกว่าบรรลุธรรมต้องบรรลุได้ปัญญาก็ไปนั่งทำปัญญาจิตก็ไม่ตั้งมั่นเห็นความจริงเขาบอกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสติสาคั ญ, ส, คญสติปัฏฐานสี่สคัญแต่ว่าไม่เคยจัดการกับพื้นบ่อที่เน่าเลยจะเอาแต่เห็นการเกิดดับอย่างเดียว

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นสุดยอดวิชาทั้งนั้นเหมือนเป็นคัตเตอร์ที่คมกริบทำให้เกิดปัญญาขั้นสูงแต่ว่าต้นมะพร้าวต้องใช้ขวานไม่ได้ใช้คัตเตอร์ยังด่าคนนินทาเพอเจอร์ยังทำผิดลูกผิดเมีย

ยังเสียดสีลักขโมยหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้ดูจิตประพฤติ ผ, ผิดต่อสามีภรรยาไปเที่ยวนู่นเที่ยวแล้วก็ใช้ดูจิตโดยใช้สติปะัะญาโอเคเรื่องพวกนี้ศีลก็ เ, เอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเกิดปัญหาในหมู่นะักปฏิบัติ

กันค่อนข้างเยอะมากตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรมกักคานุคาเราจึงเอามรกเมีอวแปดทั้งหมดมากระจายให้ทุกคนเห็นแล้วท่านจะเห็นเส้นทางเดินที่พระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าท่านประธานเอาไว้แล้วจะรู้เลยว่าเราบกพร่องจุดไหนแล้วทํำไมคนที่ปฏิบัติตามนี้จึงหลุดพ้นได้แล้วทําไมมรกเมืองแปดจึงสามารถเปลี่ยนปุตุชนเป็นผ้ารหังได้

แล้วทำไมอาณาปานสติจึงสามารถเปลี่ยนบุคคลธรรมดาให้เป็นพระอาหารหันต์ได้เพราะ ม, ากมักคโยงแปดถูกรวมอยู่ในนั้นทั้งหมดในห้าวันนี้ท่านจะเห็นทุกอย่างผมบอกตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องเชื่อผมอย่าเชื่ออะไรผมเชื่อตัวท่านเอง

แต่ตัวท่านเองต้องเอาตัวท่านเองออกนะครับเวลาฟังเอาตัวเองออกอย่าคิดด้วยกรอบความคิดของตัวเองนะเอ๊ฉันว่ไม่ใช่เลิกเอาออกลองมองไปว่าพระเจ้าท่านเห็นอะไรที่เราไม่เห็นหรือเปล่าเพราะตลอดมาเวลาตั้งแต่ผมเริ่มต้นฟังทำมาผมไม่เคยคิดเลยว่าไม่จริงนะ่ะไม่ใช่หรอกไม่แต่ผมจะมองกลับไปว่า

มีอะไรที่เราไม่รู้แล้วล่ะมีอะไรที่เราไม่รู้สิ่งที่ท่านตัดไว้มันเกินกว่าจุดที่เรายืนอยู่แล้วเราไม่เห็นแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปยืนในจุดที่ท่านยืนเราจะเห็นเพระะ น, นัวันนี้ห้าวันนี้เอาตัวเองออกแล้วท่านจะไปเปลี่ยนจุดยืนที่ท่านพี่ผู้เจ้าไปยืนผมจะให้ท่านเห็นอย่างสี่แปดใช่ไหมเนี่ยอันสุดท้ายล

เราบอกว่ามีความตายเป็นธรรมดาเวลาเราสวดมีความตายเป็นของแน่นอนแต่เวลาผู้เจ้าเวลาตัดกับภิกษุถึงคนทั่วๆไปจะบอกว่าบุคคลผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาบุคคลผู้มีความแก่เป็นธรรมดาผู้มีความตายเป็นธรรมดา

จะพ้นจากความเกิดจะพ้นจากความแก่แล้วก็จะพ้นจากความตายท่านบอกว่าความตายเป็นของไม่แน่นอนทำไมเราถึงบอกว่าความตายเป็นของแน่นอนถ้าใครที่ยึดมั่นถือมั่นกับตัวตนก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสผิดแล้วเพราะว่าความตายเป็นของแน่นอนเป็นของแน่นอนสำหรับอุทุชนแต่ไม่มีในพระอารา

แสดงว่าถ้าของที่มีแล้วของที่ไม่มีของของนั้นไม่เที่ยงถ้าท่านบอกความตายเป็นของเที่ยงท่านยืนอยู่ในมุมของปุถุชนแต่ถ้าเมื่อไหรเ่เยือนเปลี่ยนไปยืนในมุมของพระอารหันต์ท่านจะพูดทันทีเลยว่าความตายเป็นของไม่เที่ยงเพราะที่พระอรหันต์ไม่มีความตายนึกออกไหมครับ

เพราะฉะนั้นอย่าใช้กรอบความคิดของเราจากห้าวันนี้ทำลายตัวตนทิ้งแล้วท่านจะเห็นมุมมองใหม่ที่ไม่มีวันที่ใครจะออกจากทุกข์ได้ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะกลับพระครับแล้วก็ลงไปรับรทานอาหาร